ก็ได้แสดงข้อส ม, มาธิิจับตั้งแต่เบื้องตน้นและเลื่อนขึ้นสู่ธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท นับแต่ชรามรณะมีเพราะชาติสืบไปจนถึงอวิชชาอาสวะแต่ละข้อก็แจกออกเป็นสี่ ตามหลักอริยสัจทั้งสี่และในการอธิบายก็ได้อธิบายในข้อที่หนึ่งของแต่ละหมวด เมื่อจบแล้วก็ได้จบอธิบายในข้อที่สองตั้งแต่ละหัดคือเป็นปัใจจัยให้บังเกิดการขึ้นได้อย่างไร จับแต่เพราะอาสวะบังเกิดขึ้นอวิชชาจึงเกิดอย่างไรเพราะอาวิชชาบาังเกิดขึ้นอาสวะจึงเกิดอย่างไรการนับว่าเป็น การแสดงอริยสัจสายสมุทัยที่สุดยอดจับอาสวะและอวิชชาหรืออวิชชาและอาสวะเป็นสุดยอดของสายสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และก็ แสดงถอยลงมาว่าเพราะวิชาเกิดสังขารเกิดขึ้นอย่างไรจึงมาถึงในข้อว่าเพราะสังขารเกิดวิญญาณกินเกิด หังขาญนั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้วกล่าวรวมๆก็ได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่ง ซึ่งตามพระเถระอธิบายก็ได้ยกเอากายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายอันได้กรลมให้ใจเข่าลมให้ใจออกวจีสังขารเครื่องปรุงแต่งวาจาก็ได้แก่วิตกวิจายความกรึกความตรอง จิตสังขารเครื่องปรุงจิตก็ได้แก่สัญญาเวทนาอาศัยสังขารทั้งสามนี้จึงมีการทำบุญทำบาปมีการปฏิบัติสมาธิ จนถึงอ ป, ปนาสมาธิได้ทำบุญก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญทำบาปก็เรียกว่าอ ป, ปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบาปที่ไม่ใช่บุญทำสมาธิจนถึงอั ป, ปนาสมาธิก็เรียกว่าอนเนญชาภิสังขารปรุงแต่ง ธรรมะที่ไม่หวั่นไหวและก็ได้แสดงแล้วว่ากายและใจนี้ของทุกคนจึงรวมเรียกว่าอัตภาพนี้ เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้ชีวิตจึงดำรงอยู่และการที่จะเข้าใจในข้อว่าเพราะสังขาร เกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดหรือเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นดังที่ได้มีแสดงถึงชาติกำเนิดของสัตว์บุคคล ซึ่งมีพระพุทธภาติดแสดงเอาไว้ว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกคือปัทวีธาตุธาต ด, ดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลม อากาศธาตุธาตุอากาศและวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณซึ่งแปลกันว่าธาตุรูปธาตุห้าขั้นต้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่าง เป็นรูปประธาธาที่เป็นส่วนรูปไม่มีความรู้อยู่ในตัวหรือเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นวัตถุเมื่อธาตุทั้งห้านี้ มาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันขึ้นดังที่มีพระบาลีแสดงไว้ถึงความเกิดขึ้นของบุคคลในคันของมารดา ว่าเริ่มตั้งต้นแต่เป็นกะละละซึ่งเปรียบเหมือนเป็นหยดน้ำที่ละเอียดที่สุดติดอยู่ที่ปลายขนสาย ซึ่งในกาลละนี้ก็กล่าวได้ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศได้รวมกันอยู่วิญญาณกินลงปฏิสนธิอันเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ ก็คือธาตุรู้วิญญาณธาตุธาตุรู้เข้ามาประกอบเริ่มเป็นสัตว์บุคคลเพราะว่าจะเป็นบุคคลชายิงก็ต้องประกอบด้วยธาตุทั้งหกคือต้องมีวิญญาณธาตุธาตุรู้เข้ามาประกอบด้วย และวิญญาณธาตุธาตุรู้นี้ก็เข้าสู่ปฏิสนธิในคันมันดาในเมื่อธาตุทั้งห้าประกอบกันพร้อมเป็นสังขารคือผสมผสาแต่ง <c oughs> วิญญาณจึงเข้าปฏิสนธิ ซึ่งมีพระบาลีเรียกว่าคันทัพพระขนทันหมายถึงสัตว์ที่จะบังเกิดก็เข้าสู่คันก็นคือปฏิสนที่วิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้น เพราะสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนี้เกิดวิญญาณจึงเกิดมาตั้งแต่เบื้องต้นดังนี้และแม้เมื่อก่อเกิดเป็นบุคคลชายหญิงมีธาตุหก ดังกล่าวสมบูรณ์โดยลำดับตั้งแต่ในคันของมารดาจนถึงเมื่อคลอดออกมาแล้วกายใจอันนี้ก็ต้องผสมปรุงแต่งกันอยู่ เป็นกายสังขารมจีสังขารมโนสังข์กิตตสังขารวิญญาณจึงบังเกิดขึ้นวิญญาณที่บังเกิดขึ้นขัดมาจากปฏิสนธิวิญญาณ ก็เป็นวิถีวิญญาณก็คือวิญญาณหกรู้ทางตาคือเห็นรูปเรียกว่าจักขูวิญญาณรู้ทางหูคือได้ยินเสียงก็เรียกว่าโสตรวิญญาณรู้ทาง จมูกทางลิ้นทางกายก็เรียกว่าขานวิญญาณคิวหาวิญญาณกายวิญญาณรู้ทางมโนโคือใจซึ่งเรื่องราวทั้งหลายที่ใจคิดใจรู้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณแมว้วิถีวิญญาณดังกล่าวนี้จะบังเกิดขึ้นก็ต้องอาศัย กายสังขารเมื่อกี้สังขารมโนสังขารปรุงแต่งกันอยู่วิญญาณยังเกิดได้ดังจะบึงเห็นได้ว่ากายสังขารเรื่องปรุงกาย ได้กระลมหายใจเข้าออก <c oughs> ซึ่งต้องให้ใจเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้วิญญาณจึงเกิดขึ้นได้ตามวิธี คือทางตาทางหูเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าดับลมหายใจเข้าออกกายนี้แตกสลายวิญญาณก็ดับชีวิตนี้ ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันหมดก็คือว่าจะต้องถึงเวลาหนึ่งซึ่งจะต้องหยุดหายใจรียกวัดตายหรือสิ้นชีวิตก็แปลว่านับกายสังขาร ดับลมให้ใจเข้าออกวิญญาณก็ดับไม่เกิดดังนี้มีพระพุทธภาธติแสดงเอาไว้ว่าภะจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสสติ ไม่นานหนอกายนี้จากนอนทับแผ่นดินทุดโดอาเปตวิญญาโน <c oughs> มีวิญญาณไปปราดแล้วคือปราศจากวิญญาณต้องถูก ทอดทิ้งนิ่ะทังว่ากระลิงกระังเหมือนอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์และแม้ว่าจีสังขารเชื่องปรุงกายวิตกิจารั์ ไม่เกิดขึ้นคือเมื่อไ ม, ม, อไม่ไม่คิดไม่นึกไม่ตรึกไม่ตรองถึงเรื่องอะไรวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในเรื่องอันนั้นต่อเมื่อตรึกตรองคิดนึกถึงเรื่องอันใด วิญญาณยังเกิดขึ้นในเรื่องอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความตรึกความตรองความคิดความนึกดับวิญญาณก็ดับเมื่อความตรึกความตรองคิดนึกบังเกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นในเรื่องที่ ตรกตรองคิดนึกนั้นแม้จิตสังขารคือสัญญาเวทนาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสัญญามีเวทนาจิตจึงจะคิดนึกึกตรอง วิญญาณจึงเกิดขึ้นในเรื่องที่จิตคิดนึกตรึงนั้น <c oughs> เพราะว่าจิตจะคิดนึกของได้ก็เพราะมีเวทนามีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขมีสัญญาจำได้หมายรู้ อยู่ในเรื่องอันนั้นจิตจึงคิดถึงเรื่องอันนั้นได้ถ้ามีเมเวทนายกโดยอย่างเช่นฉีดยาชาที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หมดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ร่างกายส่วนนั้นแม่จะเอามีดมาผ่าตัดอย่างหมอผ่าตัดคนไข้ความรู้สึกเจ็บก็ไม่มีเมื่อความรู้เจ็บสุขรู้สึกเจ็บไม่มีก็ไม่ทำให้เกิดความคิด ถึงส่วนนั้นวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้นต่อเมื่อมีความรู้สึกเจ็บขึ้นในส่วนนั้นวิญญาณงจะเกิดขึ้นในส่วนนั้นคือเป็นความรู้รู้ทางกายที่เรีวกว่ากายยังวิญญาณ แต่เมื่อกายส่วนนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บกายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้นมาถึงสัญญาความจำก็เช่นเดียวกันจิตจะคิดจะนึกถึงเรื่องอันใดก็เพราะจำเรื่องอันนั้นใดถ้าลืมเสจยแล้ว ก็มไม่มีอะไรที่จะคิดนึกได้จะคิดนึกได้จะคิดนึกได้ในเรื่องที่จำได้เท่านั้นก็จจำไม่ได้หรือไม่จำาจะคิดนึกไม่ได้วิญญาณก็บังเกิดขึ้นในเรื่องนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญามีเวทนาจิตคิดถึงเรื่อง อันใดอาศัยสัญญาวเวทนาก็เกิดวิญญาณขึ้นในเรื่องนั้นตามวิถีถ้าดับสัญญาวเวทนาเสียวิญญาณก็ดับยกตัวอย่างง่ายๆ ดังเช่นโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคือได้ยินเสียงในขณะ น, นี้กำลังแสดงธรรมบัรยายเป็นเสียงเป็นเสียงที่ไปกระทบกระทบโสตรประสาท คือกระทบหูจิตตั้งใจฟังก็หมายความว่ามี สัญญามีเวทนาอยู่ในเสียงที่เป็นกระทบโสตรประสาทโสตวิญญาณความรู้เสียงทางหูจึงบังเกิดขึ้นคือได้ยิน ได้ยินถอยคำที่แสดงนี้แต่ถ้าจิตไม่ตั้งอยู่ในเสียงที่แสดงนี้ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ไปมีสัญญาเวทานาในเรื่องอื่นที่ส่งจิตไปนั่น วิญญาณก็ไปบังเกิดขึ้นในเรื่องอื่นนั้นแต่ว่าวิญญาณไม่บังเกิดขึ้นในเสียงที่กำลังแสดงอยู่นี่แปลว่าหูดับแม้ว่าเสียงที่แสดงนี้จะไปกระทบกระทบโสตประสาทอยู่เป็นปกตินั่นแหละ โสตรประสาทก็ดีอยู่แต่ว่าจิตไม่ตั้งใจฟังคิดไปคิดถึงเรื่องอื่นหูก็ดับจากเสียงที่กำลังแสดงนี้ไม่ได้ยินไม่เกิดโสตวิญญาณในเสียงแต่ว่าไปเกิดมโนวิญญาณ ในเรื่องต่างๆที่ส่งจิตไปคิดถึงนั่นโสตวิญญาณทางหูนี่ก็ดับไปเปิดมโนวิญญาณในเรื่องที่คิดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสังขารเมื่อมีสังขาร ยังมีวิญญาณดังกล่าวนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครันของมัรดาดังกล่าวคือตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณและมาถึงวิถีวิญญาณคือวิญญาณที่บังเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมรณะคือใจก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยสังขารกา ย, ยสังขารมจีสังขารมโนสังขารจิตสังขารดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยจึงได้เกิดวิญญาณขึ้นเป็นวิถีวิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นตามประเภทเพราะฉะนั้นเพราะสังขาร บังเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดข้อที่ท่านพระสาริบุตรได้แสดงมาโดยลำดับเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกัน เมื่อได้ตั้งใจฟังและตั้งใจที่จะทําความเข้าใจย่อมจะได้ความเข้าใจในธรรมะที่เป็นสัจจคือความจริงตามเหตุและผลจะทําให้จับเหตุจับผล ตั้ง ต, นต้นจะจับทุกจับสมูทยัยคือเหตุเกิดทุกและทำให้จับเงินต้นเงินปลายได้เพราะทุกทุกข้อที่เป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกันนั้น เป็นเงื่อนตอนเงื่อนปลายของกันและกันไปทุกๆข้อและเมื่อจับได้ถูกต้องก็ยอมจะมีความเข้าใจตึงเหตุและผลนันถูกต้องการพิจรารณา ตามทางที่ท่านแสดงดังนี้ย่อมเป็นทางเจริญปัญญา